จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่20สิบกันยายนพุทธศักราช2 5 5 4เป็นวันพระวันประเสดร์ วันที่พวกเราจะมาทำตัวเราให้เป็นพระเป็นผู้เิยเพราะคำว่าพระนี้ไม่ได้จำกัดความอยู่ที่ผู้ที่ออกบวชนุ่งเหลืองผมเหลืองกน้นศีสันเท่านั้นแต่อยู่กับผู้ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่สามารถเป็นพระด้วยการปฏิบัติ ด้วยกันทุกคนการที่ได้บวชได้โกมศรีศรษะได้นุ่งเหลืองห่มเหลือ ง, องก็ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่าจะเป็นพระได้ถ้าไม่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็ยังไม่ถือว่าเป็นพระตามคนิยามของพระพุทธเจ้า พรของพระพุทธเจ้านี้พระองค์ทรงจัดว่าต้องเป็นสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบนี่คือเหตุที่จะสร้างพระขึ้นมา อยู่ที่การปฏิบัติทั้งสี่ประการนี้เท่านั้นส่วนผู้ที่ได้บวชได้โกนศรีรษะได้ห่มเหลืองหรือได้ห่มขาวเราก็ให้ความเคารพในฐานะที่ท่านได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตนให้เป็นพระตามที่พระพุทธเจ้า ทรงปรารถนาให้เป็นกันแต่การจะเป็นพระสมบูรณ์แบบหรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ ก, การปฏิบัตินี้เท่านั้นพระในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกันเราเรียกว่าพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้ามีขั้นที่หนึ่งก็คือพระโสดาบัน ขั้นที่สองก็คือพระสกิดาคามีขั้นที่สาก็คือพระอนาคามีขั้นที่สก็คือพระอาหารหันต์นี่คือพระในบวรของพระพุทธศาสนาที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติตรง ป, ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ และปฏิบัติชอบเท่านั้นดังนั้นพวกเราทุกคนจึงมีสิทธิที่จะเป็นพระในบวรของพระพุทธศาสนาได้กันทุกคนในสมัยพระพุทธการมีพระอริยะที่เป็นทั้งนักบวชและเป็นคารวาสเป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายเป็นทั้งเด็ก เป็นทั้งผู้ใหญ่เป็นพระเป็นเนงเป็นได้หมดเพราะเรื่องของเพศเรื่องของฐานะสถานภาพไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเป็นพระในบวรของพระพุทธศาสนาสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคก็คือความเกียดครางความไม่เชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ความที่ยังติดอยู่กับเรื่องของกิเลสตันหาต่างๆเช่นการมาฉันทะความติดอยู่ในการมาสุขยังอยากมีความสุขความสบายทางร่างกายยังอยากหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพภาคอยู่นี่คืออุปสรรคของผู้ที่ปรารถนาการเป็นพระ ในพระพุทธศาสนาในวันพระพวกเราจึงมารักษาศีนแปดกันเพราะศีนแปดนี้จะช่วยกำจัดการมฉันทะความรักสุขรักสบายทางตาหูจมูกลิ่นกายด้วยการทำรักษาศีลแปดข้อด้วยกัน เพิ่มขึ้นมาอีกสามข้อจากศีลห้าที่รักษากันตามปกติพุทธศาสนิกชนนี้จะเป็นพุทธศาสนิกชนได้ก็ต่อเมื่อมีศีลห้าประจำใจปฏิบัติรักษาศีลห้าทุกวันส่วนวันพระก็จะรักษาศีลแปเพื่อจะได้ปฏิบัติให สูงขึ้นไปให้ได้เข้าใกล้สู่ความเป็นพระอริยเจ้ามากขึ้นไปตามลำดับศีลแปดจึงเป็นศีลที่สำคัญต่อการพัฒนาความเป็นพระของจิตใจจึงควรที่ให้ความสนใจต่อการรักษาศีลแปด อย่างน้อยก็ควรที่จะทดลองรักษาดูในวันพระดูไม่ตายหรออดข้าวเวย็นนี้ไม่ตายไม่ได้นอนบนฟูกหนาๆไม่ตายไม่ได้ดูหนังฟังเพลงร้องลำทำเพลงไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานแหล่งบันเทิงต่างๆไม่ตายแน่นอนแต่กิเลสคือการมาฉันทะจะตาย ถ้ากาากามะฉันทาตายใจก็จะสงบใจจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการเสกกามเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลถภพคนี่คือการปฏิบัติ ด, ดีคือเคร่งครัดต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้รักษาศีลในวันพระกันวัน ให้รักษาศิล8ในวันพระถ้าเราไม่รักษาเรารักษาเพียงศินหก็ถือว่ายังไม่ปฏิบัติดีพอดีบางส่วนถ้าให้คะแนนก็ยังไม่สามารถให้เต็มร้อยได้ต้องรักษาศิน8ถ้าเป็นค า, ารวะถ้าเป็นนัก บ, บวชก็ต้องรักษาศิี่สิบเ็ข้อ ให้ครบถ้วนบริบูรณ์จึงถือว่าปฏิบัติดีถ้ารักษายังไม่ครบยังขาดบ้างก็ยังไม่ถือว่าปฏิบัติดีเต็มที่ถ้าเป็นเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าที่มีรอยขาดต้องเอามาปะเอามาเย็บถ้ารักษาศีลได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เป็นเหมือน ภาที่ไม่มีรอยขีดขาดดังนั้นขอให้เรามาฝึกทดลองรักษาสิ่งแปดกันเราจะพบกับความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขของการเสพกามมรสต่างๆเช่นการดูหนังฟังเพลงการรับประทานอาหารการนอนบนฟูกหนาๆน การร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาของตนความสุขเหล่านี้เมื่อเปรียบ ก, กับความสุขที่ได้จากการชําระกามฉันทะคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นดก็จะเหนือกว่ามากเพราะจะทำให้ใจสงบนั่นเองใจสงบเมื่อไหร่ ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาจะปรากฏขึ้นมาก็ด้วยการรักษาศีนแล้วก็ควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในความสงบด้วยการเจริญสติสตินี้จะควบคุมการกระทาทางกายทางวาจา ให้อยู่ในกรอบของศีละธรรมให้สามารถรักษาศีลแปดได้ให้สามารถทำใจให้สงบได้ให้สามารถฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมการกระทาทางกายวา จ, จาใจได้เช่นคนที่ เดิมสราจนมึนเมาจะไม่สามารถควบคุมกิริยาอาการการกระทาการพูดความคิดของตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงามได้จะมักไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ด้วยวิธีการต่างๆเนื่องจากไม่มีสติคอยควบคุมใจไว้นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ละเว้นจากการเสษสุรายามาเพราะเสษไปแล้วจะทำให้ไม่สามารถยับยั้งการกระทำบาปได้เวลาคิดจะฆ่าก็จะไม่มีอะไรมายับยัง้ง เวลอะไรจะคิดจะรักขโมยจะประพฤติผิดประเวณีจะพูดปดหมดเทดก็จะไม่มีเบรกไม่มีอะไรมายับยั้งนั่นเองสตินี้คือเบรกของใจของวาจาของกายถึงแม้จะสมาทานศีลถ้าไม่มีสติก็จะไม่รักไม่สามารถ รักษาศีลให้สะอาดบอยสุดได้พราะจะเผลอแล้วก็จะไปทำผิดศีลแต่ถ้ามีสติคอยเฝ้าดูความคิดคอยเฝ้าดูการกระทาคอยเฝ้าดูการพูดว่าพูดในพูดและรมในกรอบของศีลหรือไม่เช่นถ้าจะไปหยิบสุรามาดื่ม ถ้าไม่มีสติก็จะไม่รู้สึกตัวก็จะเผลอหยิบมาดื่มดื่มไปแล้วถึงจะมารู้สึกตัวทีหลังว่าอ๋อเราวันนี้รักษาศีลห้าศีลแปเราไม่ต้องไม่เราไม่ดื่มสุรายาเมาแต่นี่เราดื่มไปแล้วก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีสติคอยเฝ้าดูความคิดที่จะคิดดื่มสุรา ไม่เฝ้าดูการกระทาที่จะเดินไปหยิบสุรามาดื่มแต่ถ้ามีสติคอยเฝ้าดูความคิดว่าวันนี้คิดไปในคิดอยู่ในกรอบของศีลห้าของศีลแปหรือไม่ถ้ามีสติก็จะรู้ถ้าจะออกนอกกรอบของศีลห้าศีลแปก็จะยับยั้งไว้เช่นจะไปจะรับประทานอาหารเย็น จะเปิดทีวีดูหนังดูละครจะเปิดเครื่องเล่นฟังฟังเพลงหรือจะไปออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆพอมีสติคอยเฝ้าดูอยู่ก็จะรู้ว่ากำลังออกนอกลูก่นอกทางก็จะยับยั้งความคิดนั้นได้พอยับยั้งได้แล้วก็จะสามารถ รักษาศีล5ศีล8ได้แล้วถ้าต้องการทำใจให้สงบ ก, ก็ต้องมีสติเช่นเดียวกันใจจะสงบได้ใจต้องหยุดคิดปรุงแต่งถ้าคิดแล้วก็จะคิดไม่หยุดไม่หยอดจะมีเรื่องมาให้คิดต่อไปเรื่อยๆถ้ามีสติคอย หยุดไว้หยุดความคิดด้วยการบังคับให้ถูกให้รู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกควบคุมใจให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้ให้รู้อยู่ตรงปลายจมูกรงที่ลมสัมผัสเข้าออกหรือตรงกลางหน้า อ, อก เช่นยุบหนอ่อพองหนอ่อเวลาลมเข้าไปอกก็จะพองออกมาเวลาหายใจออกไปอกก็จะยุบเข้าไปได้ทั้งสองอย่างดูที่ปลายจมูกก็ได้ดูที่อกดูที่หน้าท้องก็ได้แล้วแต่จะถนัดถ้าไม่ชอบดูรูด้ดูแล้วไม่ยอมอยู่ดูแล้วก็ หลบไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ก็ต้องใช้การบริกรรมใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดบทไหนก็ได้สวดซ้ำๆกันหลายๆครั้งก็ได้ไม่สำคัญว่าจะต้องสวดบทไหนเพราะการสวดนี้เป็นอุบายของการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องต่างๆเท่านั้น ถ้าเราสวดแล้วยังไปคิดอยู่ก็ยังถือว่าใช้ไม่ได้ต้องควบคุมใจให้อยู่กับการสวดอย่างเดียวถ้าสวดช้าแล้วมันยังคิดอยู่ก็สวดให้เร็วขึ้นไปก็ได้หรือบริกรรมก็เช่นเดียวกันถ้าบริกรรมแล้วยังแวบไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ก็ลองบริกรรมให้ถี่ขึ้น ให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้ไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นได้ถ้าทำอย่างนี้ได้จิตก็จะสงบตัวลงต่อไปอย่างแน่นอนเวลาจิตสงบแล้วก็จะปรากฏความสุขที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากการได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลธภะ ชนิดต่างๆเป็นความสุขที่ต่างกาาันเราฟ้ากับดินเลยถ้าได้พบกับความสุขที่เกิดจากทำใจให้สงบก็จะมีฉันทะวิริยะคือจะมีความยินดีความพอใจที่จะทำใจให้สงบอยู่เรื่อยๆก็จะมีวิริยะความอุสาหะความขยันหมั่นเพียร ที่จะเจริญสติให้มากในเวลาที่ยังต้องทาภารกิจการงานต่างๆพอมีเวลาว่างจากภารกิจการงานก็จะหามุมสมบแล้วก็นั่งสมาธิแทนที่จะไปหาขนมมารับประทานหาเครื่องดื่มมารับประทานก็หามุมสงบแล้วทำใจให้สงบจะดีกว่า เพราะความสุขที่ได้รับนั้นแตกต่างกันมากเหมือนฟ้ากับดินถ้าได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วต่อไปจะเบื่อกับรูปเสียงกลิ่นรสโภธภะจะไม่ค่อยอยากจะไปเข้าสังคมกับใครจะไม่อยากจะไปวุ่นวายกับใครเพราะมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัว มีแต่ความหิวความอยากต่อให้ได้เสกสัมผัสรูปเสียงกินรสมากน้อยเพียงไรก็ยังจะมีความหิวความอยากอยู่เหมือนที่พวกเราทุกวันนี้ยังมีความหิวความอย า, อยากอยู่กันทั้งๆ ท, ที่เราก็ได้เห็นมามากได้ฟังมามากได้เสกได้สัมผัสมามากแล้วแต่มันไม่มีความอิ่มความพอเพราะ ความอิ่มความพอของใจไม่ได้เกิดจากการเสบรูปเสียงกิ่นลดนั่นเองความอิ่มความพอจะเกิดจากการทําใจให้สงบเท่านั้นพอใจสงบแล้วจะไม่หิวไม่อยากกับอะไรจะอยู่เฉยๆอยู่อย่างเป็นสุขได้ต่อให้ไม่มีเงินทองไม่มีตําแหน่งไม่มีฐานะในสังคม ไม่มีใครยกย่องสรรเสริญไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับหาความสุขจะไม่เดือดร้อนจะรู้สึกเฉยเฉยพอใจกับสถานภาพของตนพอได้เห็นเมืองพอแล้วนั่นเองความสงบนี่แหละคือเมืองพอของใจถ้าถาบใดยังไม่ได้พบกับความสงบอยู่ ต่อให้ได้เงินทองกองเท่าภูเขาต่อให้ได้เป็นนายงเป็นประธานาธิบดีเป็นพระมหากษัตริย์มีคนยกย่องสรรเสริญมิให้รางวัลสะดุดสะดมากมายกายกองมีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เสรตลอด24ชั่วโมงก็ยังจะไม่พบกับความพอจะไม่พบกับความสุขที่แท้จริง ยังต้องทุกข์ทรมานยังต้องวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆจะสุขก็เฉพาะเวลาที่มีความเจริญกันแต่เวลาเกิดความเสือ่อมเกิดความดับเกิดความตายก็จะทุกข์ทรมานใจกันแต่ผู้ที่มีความสงบใจนี้จะไม่เดือดร้อนกับการเจริญหรือกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆ เพราะความสุขนี้ไม่ได้ผูกไว้กับสิ่งต่างๆในโลกนี้นั่นเองผูกอยู่ที่สติเท่านั้นถ้ามีสติก็จะสามารถทำใจให้สงบได้ดังนั้นเวลาอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ผู้ที่มีความสงบก็จะไม่หวั่นไหวจะไม่เดือดรอ้อน พอสามารถหลบเข้าไปในสมาธิได้หลบเข้าไปในความสงบได้ปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นไปตามเรื่องของเขาแม้แต่ร่างกายนี้ถึงถึงแม้ว่าจะต้องตายไปก็จะไม่เป็นปัญหากับใจที่สงบนี้เลยนี่แหละคือความวิเศษของความสงบของใจ ความสงบนี้แลจะทำให้เราเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐเพราะเมื่อเราไม่มีความโลภไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรเราก็จะไม่ไปทำอะไรให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเราจะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นและเราจะมีข้าวของเงินทองเหลือเฟือเพราะเราไม่ได้ใช้มันนั่นเองไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มัน เราก็สามารถเอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนได้นอกจากแจกจ่ายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ยังสามารถแจกวิธีที่จะทําให้จิตใจให้สงบให้เป็นสุขให้พอได้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักวิธีที่จะ ทำให้จิตใจมีความสุขมีความพอนำที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านได้ทำกันท่านได้สอนผู้ที่ยังไม่รู้จากการทำใจให้สงบจนเขาทำใจให้สงบได้กลายเป็นพระขึ้นมาได้ด้วยอำนาจของการปฏิบัติทั้งสี่ประการนี้นั่นเอง คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์การปฏิบัติดีก็อย่างที่พูดไว้คือต้องทำให้ทาหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ถึงเวลาต้องรักษาสิงก็รักษาสิงถึงเวลาที่จะต้องเจริญสติก็ต้องเจริญสติถึงเวลาที่จะต้องนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิ ออกจากสมาธิต้องเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจทุกขังอนัตตาก็ต้องพิจารณาเพื่อจะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้คลายความหวาดกลัวกับการเกิดการกับการเกิดกับการดับของสิ่งต่างๆถ้าไม่พิจารณาก็จะหลงยึดติดอยากจะให้สิ่งต่างๆอยู่ไปนานๆ แต่ถ้าพิจารณาก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องดับไปในที่สุดมีเกิดแล้วต้องมีดับมีเกิดแล้วต้องมีตายเป็นธรรมดาถ้าไม่สอนใจใจก็จะเผลอจะเลวจะไม่คิดแล้วก็จะไปคิดว่าจะอยู่ไปนานๆ น, น, นี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องทำทั้งศีลทั้งสติทั้งสมาธิ และปัญญาถ้าเราทำได้อย่างต่อเนื่องไม่ทำเรื่องอื่นไม่ไปหาเรื่องอื่นมาทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงก็คือตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่วอกแวกไม่แยบไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ออกนอกลูก่นอกทางปฏิบัติทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ใช่ปฏิบัติ ผิดกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงสอนให้รักษาสีหน้าในวันธรรมดาสิน ร, รักษาสินแปดในวันพระอย่างนี้ก็รักษาไปไม่ใช่วันธรรมดาก็รักษาบางข้อไม่รักษาทุกข้อวันพระก็ไม่รักษาสินแปดไม่นั่งสมาธิไม่เจริญสติไม่พิจาัฒนาปัญญา อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ปฏิบัติตรงไปปฏิบัติอย่างอื่นเช่นปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วก็ออกไปรู้เรื่องต่างๆไปเห็นนิมิตต่างๆไปเที่ยวนรกไปเที่ยวสวรรค์ไปมีฤทธิ์มีเดชอย่างนี้ไม่ได้เป็นการปฏิบัติตรงต่อพระธรรมวินยัยพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง นิมิตต่างๆเพราะไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์ต้องให้ปฏิบัติเพื่อทงใจให้สงบให้ว่างให้เบาให้อิ่มให้พอนี่คือตัวอย่างของการปฏิบัติตรงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนให้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ให้ปฏิบัติเพื่อลาบส ก, การะ เพื่อให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญนับถือเคารพ บ, บูชาแต่ให้ปฏิบัติเพื่อตัดพบตัดชาติตัดกรกทุกข์ให้ออกไปจากจิตจากใจไม่ให้สนใจกับความสรรเสริญยกย่องของผู้อื่นไม่ให้สนใจกับลาภสักการะที่ผู้อื่นอาจจาะเอามาให้ให้ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นอย่างเดียว ผู้อื่นจะให้อะไรหรือไม่ให้อะไรจะยกย่องสรรเสริญหรือไม่ก็ไม่สําคัญถ้าเราอยากได้ลาบอยากได้ยศอยากได้ลาบส ก, กาละเราก็อาจจะต้องทําอะไรให้ผู้อื่นเขาพอใจถ้าเขาชอบเรื่องอิทธิฤทธิก็จะต้องสอนเรื่องอิทธิฤทธิ์ให้กับเขาแทนที่จะสอนเรื่องการอดทนจากความทุกข์ ก็จะไม่สอนเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่ชอบเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์เรื่องของการปล่อยวางทุกคนอยากจะได้มากกว่าอยากจะเสียนั่นเองแต่การจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าสอนแบบนี้คนก็จะไม่ชอบกันคนชอบปฏิ ให้สอนว่าทำบุญแล้วได้ไปสวรรค์ได้ล่่มได้รวยอย่างนี้จะชอบกันอย่างนี้พอสอนให้ปล่อยให้วางให้ตัดก็จะไม่ชอบก็จะไม่มาทำบุญไม่มาถวายลาบสักการะ <c oughs> ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นก็จะไม่สนใจกับเรื่องสักลาบสักการะสนใจอยู่ที่ผลที่เกิดขึ้นภายในใจของตนเท่านั้น ว่ายังทุกข์อยู่หรือไม่ถ้าทุกข์ก็ต้องทำต่อไปจนกว่าจะหมดทุกข์จะไม่สนใจกับการที่จะไปอบรมสัง่งสอนผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเพราะยังไม่ใช่ฐานะที่จะพึงกระทำนั่นเองตอนนี้หน้าที่ที่ร้องทำก็คือดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของตนให้หมดไป ส่วนการปฏิบัติชอบก็คือปฏิบัติถูกต้องนั่นเอง ป, ปฏิบัติไม่ผิดจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือเหตุที่จะทำให้ผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระผู้ที่ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองปรารถนาความสุขความสิ้นทุกข์จะต้องปฏิบัติกัน ก็คือสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์นะสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยทุกประการถ้าปฏิบัติได้แล้วความประเสริฐก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไป